ถามว่าตอนเนี้ค่ะที่ทําอยู่ก็คือจะเป็นเหมือนรู้แบบที่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันบาลานซ์ยากอะคะ่ะระหว่างความตั้งใจความเป็นธรรมชาติแล้วก็บางทีเนี่ยคือมันก็หลุดแล้วก็หายไปเลยอ่ะคะ่ะจะทํำยังไงให้ให้มันแบบเหมือนไม่หายไปทีไรนานๆนะคะเดี๋ยวช่วยอธิบายขยายความยังไงดี ยังไงเรียกว่ารู้เป็นธรรมชาติไม่รู้นะมันเดี๋ยวการต่างความมันจะไม่ตรงกันเหมือนแบบว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งตัวรู้อะค่ะก็คือเหมือนกับเรียกว่าอะไรก็ทําแบบเหมือนปกติเนี่ยค่ะแต่ว่ารู้แล้วก็แต่ว่าเหมือนบางทีอะค่ะมันมันก็หายหายไปเลยอะค่ะก็คือเหมือนสติมันหายไปค่ะ มืนมันยังบาลานไม่ได้อะคะ่ะเดี๋ยวบาลานบาลานคือว่าบาลานกลับอะไรอย่างงงงไม่ก็จะให้มันกลับมาเหมือนที่เรามีสติแบบเป็นธรรมชาติอะคะ่ะมีสตินธรรมชาติไม่ปรุงแต่งไม่อะไรไม่ปรุงแต่งเลยเหลือแต่อาการที่เคลื่อนไหวแต่ใจให้รู้รู้แบบเป็นธรรมชาติครู้ยังเป็นธรรมชาติอจะมีตัวเราตัวนี้เนี่ย มันจะมีตัวเราพยายามให้ตัวเรารู้อย่างธรรมชาติเนี่ยตรงนี้มันจะมีมันจะมีตัวเราพยายามให้ตัวเรารู้อย่างธรรมชาติแต่รู้อย่างธรรมชาติมันจะปัสจากตัวเราปัสจากตัวตนปัสจักปัสจากตัวตนของผู้รู้ได้ซ้ำไปแต่ของหนูเนี่ยมันคือบางทีความรู้อย่างเป็นธรรมชาติปัญหายไปคือหนูเนี่ยพยายามจะทำให้รู้อย่างเป็นธรรมชาติคือไม่มีความตั้งใจจะรู้ให้เป็นรู้อย่างธรรมชาติแล้วอันนี้ต้องทายังไงอะคะ อันนี้มันไม่ไม่ถูกไอ้พยายามไอ้ความพยายามจะรู้อย่างธรรมชาติเนี่ยอันนี้มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นความปรุงแต่งปรุงแต่งเรียนแบบให้รู้อย่างธรรมชาติมั น, นการปรุงแต่งอันนี้มันจะเหมือนนะพรปรุงแต่งนานๆเข้าก็จะกลายเป็นเหมือนรู้ทําแบบธรรมชาติเลยปกเหมือนกับเป็นทองปลอมที่ก็แต่งเขาแต่งทองคําอะทําทองคําปลอมจนเหมือนเลยมาหลอกขายแต่ข้อหนูเนี่ยมันเป็นลักษณะของกพิจารณาดูแล้วมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเราเนี่ย จะเพียนเพียนให้มันรู้อย่างธรรมชาติรู้แบบไม่ปรุงแต่งแต่ที Driving ่ไปทารู้อย่างธรรมชาติมันมันไปพยายามให้รู้อย่างธรรมชาติไม่ได้รู้อย่างธรรมชาติเนี่ยไปพยายามทำให้รู้อย่างธรรมชาติไม่ได้เราไปเพียงให้รู้อย่างธรรมชาติไม่ได้เพราะอะไรกับเพราะว่าพอเราเนี่ยสมมติว่าเราไปไปทาในที่ลับไม่มีคนเห็นเราจะเพียนเราจะพยายามไงให้รู้อย่างธรรมชาติมันจะปรุงแต่งไง แต่ดูสังเกตดีๆดีเนาะมีใครมารู้ว่าเราพยายามทําเราพยายามทําให้เรารู้อย่างธรรมชาติอ๋อรู้อย่างธรรมชาติมันหายไปอีกแล้วทำไมมันหายไปไม่รู้อย่างธรรมชาติเราพยายามจะทําให้รู้อย่างธรรมชาติจะดูสังเกตดีๆว่าใครมารู้เนี่ยว่าตัวเรากำลังทำอะไรจุ๊บจุ๊บจุุ๊๊จุุ๊๊อย่างเนี้ยไม่เคยรอดพ้นจากรู้นั่นเลยเนี่ยไอ้รู้นั้นเนี่ยเป็นรู้ธรรมชาติไอ้ที่เราเนี่ยจะพยายามจะปรุงแต่งเราให้รู้อย่างธรรมชาติแต่แท้จริงอ่ะ ที่เราแสดงพฤติกรรมของเราเอ้าเราจำเป็นเราไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ปรุงแต่งไม่ไม่ปรุงแต่งรู้แล้วเราใจรู้สึกสบายว่างเปล่าไปหมดเลยแต่ท่านูต้องเกติดีๆใครมารู้ว่าเราใจสบายว่างเปล่าไอ้ใจสบายว่างเปล่านั้นไม่ใช่รู้ธรรมชาติแต่ใครมารู้ว่าใจเราเนี่ยตอนเนี้ยสบายว่างเปล่าไอ้ น, นั่นแน่คือธรรมชาติของรู้ของเขาเองคือธรรมชาติของรู้รู้ธรรมชาติหรือเราแท้ๆนั่นแน่คือธรรมชาตินั้น ที่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนอะไรหรอกเราแท้ๆมาจากความว่างเปล่ามาจากธรรมชาติที่ว่างเปล่าคือทําเป็นธรม ร, ธรมชาติหรือธรรมชาติรู้หรือเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติไม่มีตัวเราไม่มีอะไรหรอกแะแต่ที่เราพยายามปรุงแต่งเราให้เป็นให้เป็นธรรมชาติให้เป็นรู้อย่างธรรมชาติใจว่างเปล่าอันเนี้ยถ้าเราสังเกตได้ดีๆมันเป็นสิ่งนี้ถูกรู้ไม่ได้เป็นเป็นรู้ธรรมชาติรู้ทแท้ๆนี่ได้แต่รู้ตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเรา ปล่อยวางตัวเราที่ว่างเปล่าปล่อยวางตัวเราที่รู้สึกว่างเปล่าปล่อยวางตัวเราที่รู้สึกเป็นธรรมชาติดีไอ้ตัวเนี้ยไป็นทกปล่อยวางเพราะว่าไอ้ตัวเราที่ว่างเนี่ยมันมีผู้มาล้วัวตัวเราว่างตัวเราเบามันมีผู้มาล้วัวตัวเราเบาตัวเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นธรรมชาติมันมีผู้มาล้วัวตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเป็นธรรมชาติแล้วไอ้ตัวเราที่เบาตัวที่ว่างตัวเราที่รู้สึกตัวเราเป็นธรรมชาติต้องทิ้งมันไปใส่หมด เมื away, away season, season, ่อเราทิ้งไปให้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเองเราเนี่ยจะไปเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติไม่ได้จงจำคำนี้ไว้นะเราจะพยายามไปทำให้เราเนี่ยรู้ที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เราเนี่ยจะไปเป็นธรรมชาติที่รู้ตามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่เป็นพุทธะได้ต้องปล่อยวางตัวเราเท่านั้นเองต้องปล่อยวางสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิต ปล่อยวางตัวเราทั้งหมดคือกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารต้องปล่อยวางสังขารอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะไปเป็นพุทธะจึงจะไปเป็นใจที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งต้องปล่อยวางความปรุงแต่งจะไปปรุงแต่งให้พยายามเป็นรู้ธรรมชาติเนี่ยอันนี้จะทําไม่ได้มันจะผิดเพราะว่าธรรมชาติมันปรุงแต่งไม่ได้ธรมชาติมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรงแต่งได้เป็นวิสังขารหรืออัศสังคกัตถที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ อะแต่ว่าไม่หรือวิสังขารแต่ว่าไม่ไม่ไมอาจปรุงแต่งได้และไม่มีใครจะทําให้มันปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอย่างนั้นวิธีเดียวที่เราจะพบใจที่ไม่เป็นวิสังขารหรือเป็นอาสังขารธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จะต้องปล่อยวางตัวเราทั้งตัวคือกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารคือตัวเราที่กระทาอะไรต่างๆตัวเราที่เดินไปมาเคลื่อนไหวไปมาตัวเราที่ ผู้ที่กระทำที่คิดที่นึกทีตึกที่ตองที่ดิ้นลนที่ค้นหาที่พยายามที่แอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้แสดงพฤติแห่งจิตได้ตัวเนี้ต้องถูกปล่อยวางจากใจหมดสิ้นทุกขณะปัจจุบันเมื่อปล่อยวางสังขารหมดสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงมีหน้าที่อย่างเดียวคือวางสังขารคือตัวเราที่ถูกรู้ทั้งหมดปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวเราที่ถูกรู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา แม้แต่เราไปรู้สึกว่าใจมันว่างเบาสบายว่างมากเลยก็ต้องวางวางอีกวางว่าวางใจที่ว่างที่เบาที่สบายอะไรก็ตามที่ที่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงก็ต้องถูกปล่อยวางทันธีตัวเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นยังไงว่างเบาสบายเวิงว่างเหมือนเหมือนดังอวากาศก็ต้องไปวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นความปวางสังขารมดปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมด น, น, inaire, นั่นแหละจึงเรียกว่าใจที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ไปกวานหาใจที่สิ้นความที่สิ้นความยึดมถือมั่นไม่ใช่ไปกวานหาผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปกวานหาเพื่อจะให้เป็นตัวเราเนี่ยไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งว่าจะกลายเป็นปรุงแต่งตลอดเวลาวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพบใจที่ไม่ปรุงแตง่งคือต้องปล่อยวางความปรุงแตง่ ง, ตงปล่อยวางตัวเราที่ไม่ว่าจะมีอาการอย่างไง ร, รู้สึกว่างโล่งโปร่งเบากะบายนิ่งเฉยสงบปานไหรก็ตามต้องวางทิ้งไปให้หมดไม่เข้าไปยึดถือ แล้วมันก็จะเป็นใจที่สิ้นความยึดถือเองก็เพราะว่ามันไม่ยึดถืออะไรเลยมันจะเป็นใจที่สิ้นความยึดถือเข้าใจไหมเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าปล่อยวางอะคะ่ะกระบวนการของการปล่อยวางเนี่ยมันจะเกิดได้เนี่ยก็คือสติไม่ต้องมาหรือว่าผู้รู้มาพอเห็นปั๊บมันถึงจะวางอันนี้ยมเข้าใจเข้าใจถูกไหคะ พอท่านจะพูดคคํา hmm. ว่าปล่อยต้องปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยการที่จะไปถึงอาการปล่อยวางเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยค่ะถ้าถ้าโยมพวกคารวาที่อยู่ทางโลกเนี่ยค่ะจะทํายังไงให้ให้มันวางได้เร็ว่ะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดอาการปล่อยวางเนี่ยบางทีมันจะรู้แล้วมันก็จะหลงไปพักหนึ่งเสร็จแล้วก็พอสติมันมันก็แล้วเหมือนกับว่าอาการที่มันจะเผยไปไปหลงไปรู้แล้วไีแหลมไปหลอกแล้วมันจะกลับมาอีกที อันนี้บางทีมันจะนานไปอะค่ะกว่าเราให้้มีเราจะฝึกฝึกไม่ใหม่เนี่ยเรายังไม่เข้าใจตัวติวตาพูดแล้วเนี่ยเราก็มันปล่อยวางยากเราก็ให้สติมีเครื่องระลึกรู้งซะก่อนค่ะให้สติมีเครื่องระลึกรู้เช่นพุทโธพุทโธหรือเราทํางานที่ประจําวันใช่ไหมให้สติมีเครื่องระลึกรู้กับพุทโธพุทโธพุทโธหรือเราเนี่ยถ้าให้เรามีมีสติสัมปชัญญะอยู่กับงานที่ทํา ถ้าเรามีสติธรรมชาญิอยู่เดี่ยวนานที่ทําแล้วหรือว่าเราสติธรรมชาญิที่อยู่กับงานที่ทํามันยังไม่ไม่มันยังหยาบเกินไปละเอียดไม่พอเราก็เพิ่มพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาในระหว่างทํางานที่มันในใช้ความคิดอะไรเราลองให้มีสติสัมปชัญญะรู้สู้โตพร้อมอยู่กับคำบริการพุทโธพุทโธอยู่แล้วตอนนี้เราก็ต้องเกตดูให้ดีๆตัวเราตัวเราที่บริการพุทโธเนี่ยเราพุทโธพุทโธตัวเราที่บริการพุทโธเวลาเราเห็นรูป เรารูปนั้นมาวิภากษ์ษิจารในใจก็ได้เราอย่าส่งไปเห็นแต่รูปเราเห็น เ, เห็นรูปต่างๆเนี่ยเราจะส่งใจไปตามรูปนะเราให้รู้อยู่ในใจของเราเนี่ยตัวพุทโธพุทโธรู้อยู่ตัวเราที่พุโธเนี่ยรู้อยู่ในใจของตัวเราที่พุโธพุทโธพุทโธพุโตเอารูปนั้นมาคิดอย่างไรนี่ปล่อยเขาจะคิดยังไงปล่อยเขามปอิสระได้ดีเลยจะไปไปกดนันไปกดไปคมแล้วก็อย่าคล้อยตามอย่าหลงตามไปตามความคิดนั้นตามความคิดปุงแตกนั้น ถ้าไปก็คิดอย่างเป็นอิสระไม่ต้องกลัวเขาแต่ให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับคำปฏิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเขาจะจะคิดปรุงแต่งยังไงเราก็ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับคำปฏิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนล้นเขาจะคิดยังไงช่างเขาเลยแต่ขอให้เราเนี่ยให้ใจของเรามีเครื่องอยู่อยู่กับคำปริกรรมพุทโธพุทโธใจของเราก็จะไม่หลุดจากคำปฏิกรรมพุทโธมันก็จะไม่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรูปหรือรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสหรือว่าความคิดหรืออารมณ์ เดี๋ยวสักพักก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกอธิบดต้องเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงตลอดไม่หลับก็จะต้องมีสิ่งให้ถูกรู้ตลอด24ชั่วโมงเลยแต่มันมีปัญหาว่า24ชั่วโมงอะใจเราไปกับเขาไหมลนะ่ะหรือเราไปไ ป, ไปพยายามดับเขาไปคิดจะไปทําลายเขาถ้าเราไม่ไม่ติดไปกับเขาไม่พยายามไปทําลายเขาไม่พยายามไปดับเขามันก็ไม่ทุกข์อะไรก็ ไ, ได้แต่แค่รู้ถ้าเราแค่รู้แค่รู้รู้โดยการเสียงสัมผัสความความคิดและอารมณ์มันจะไม่มีความทุกข์อะไรเลย นั้นไอ้ความทุกข์คือคือว่ า, ามันใจมันไม่อยู่มันไม่มันไม่มีเครื่องล่อไว้ก่อนใจเรามีเครื่องล่อไว้อย่างหนึ่งแล้วเราก็อยู่กับเครื่องลอ่อแล้วก็เราก็รู้ว่าเห็นหมดหละเห็นทั้งวันเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมีความคิดมีอารมณ์ทั้งวันน่แหละแต่ใจมันก็อยู่กับเครื่องลอ่อไม่ไปกับลูปริกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ไปกับความคิดและอารมณ์แล้วก็ไม่พยายามไปดับเขาด้วยไม่พยายามไปดับไม่พยายามไปไปทํำลายเขาแล้วก็ไม่ไม่คลอยตามไม่หลงไปตามแต่แต่แครู้ ได้แต่แค่รู้แค่รู้อะไรเพราะว่าเราไม่ก่อนรู้สึกตัวอยู่เคออรื่องล่ลอพุโต้พุโต้พุโต้พุโต้พุโต้พุโตที่ก็รู้สึกตัวมันก็ใครจะมาแล้วก็เห็นอยู่รู้อยู่แต่เราไม่ไม่จริงความรู้สึกตัวกับเครื่องรอง่อมันมีความคิดมีอารมณ์มีอาการยังไงในใจปล่อยเป็นอิสระเลยให้เขาเป็นอย่างอิสระเลยไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะคิดกิเลสเดี๋ยวเขาจะปุ้งนู่นุ้ง น, นี่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างอิสระแต่ขอให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวอยูอย่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจ้ะ ที่ใช้เป็นเครื่องล่อไว้เช่นกิจการงานที่เรากําลังทําอยู่แต่ถ้ากิจการงานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันยังไม่พอเราก็ต้องเพิ่มเข้ามาเพิ่มคำเริการพุโตพุโตพุโตพุโตพุโต้พุโต้เข้ามาด้วยอีันหนึ่งเราก็จะทําให้มันสามารถที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันมีมีเครื่องรู้เครื่องระลึกไว้เราก็จะไม่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ความคิดและอารมณ์ที่ถูกรู้เราก็ปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวอย่างอิสระแต่ใจเราอยู่กับเครื่องล่อซะแล้ว สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถลากใจเราไปได้แล้วปล่อยเลยมันคิดอารมณ์ยังไงก็ช่างเขาเลยเป็นอิสรทัทธาดีเลยให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับเครื่องรอไว้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อยากทำลายใจได้ถ้าเราไม่หลุดออกไป <S <S <S เหมือนคล้ายๆเงี้ยถ้าเราอยู่ในบ้านเครื่องรอเหมือนกับเป็นบ้านแล้วตัวเราอยู่ในบ้านใช่ไหมเราเปรี่ยนมาว่าเครื่องรอนั่นก็คือเครื่องรอจิตหรือเครื่องรอใจแล้วก็ใจก็อยู่กับมีความรู้สึกตัวอยู่กับเครื่องรอที่อยู่ในบ้าน ไม่ว่าใครจะมาล่อลวงมาหลอกลวงมาเรียกเราที่หน้าบ้านจะมีอะไรมาล่อลวงหลอกลวงเราที่หน้ารั้วบ้านเราไม่ออกไปเขาจะล่อลวงหลอกลวงไงเราก็ไม่ออกไปมันก็ปลอดภัยอย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วเราก็รู้อยู่ว่ามีมีผู้มามาเรียกที่หน้าบ้านมาหลอกลวงไงเราไม่ออกไปแต่รู้อยู่ไม่ออกไปแต่รู้อยู่แต่ไม่ออกไปแล้วก็ไม่เอาปืนไปยิงเขาให้ตายเอมันคือไม่ไปดับเขาแต่ก็รู้อยู่ะ รู้อยู่ว่าพวกนี้เป็นพวกสิบแปดมังกุรเราก็ไม่ออกไปแล้วก็ไม่เอาปืนไปยิงเขาให้ตายคือไปทําลายเขาไปฆ่าเขาไปดับเขารู้อยู่แค่รู้อยู่แค่รู้อยู่แค่รู้อยู่ก็จะปลอดภัยแต่มันอันนี้มันคือมันปลอดภัยอยู่ในบ้านอยู่ในอยู่ในเครื่องลอ่ออยู่ที่มีเครื่องล่ออยู่แต่ตอนหลังเรามีสติจิตมีกําลังแล้วมีสติปัญญาไม่หลงไปกับอะไรแล้วมันก็มันจะปล่อยวางเครื่องล่อเองเพราะว่ามันก็ไม่หลงไปกับอะไรคือเรียกว่าเก่งแล้ว เก่งแล้วเป็นเป็นไม่เหมือนมันไม่ต้องอยู่ในพ่อพอออ่อแม่แล้วออกไ ป, ไปเผชิญโลกได้แล้ว